ไม่ต้องแบบไหนอีกแล้วไม่ต้องมาคอยทำตัวมันเองแบบไหนอีกจิตนะทำไปทำม า, าจนติดงอมแงมจนออกลลำบากจากจิต ด, ดั้งเดิมแท้ที่มันไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วก็เป็นจิตหลากลักษณะขึ้นมา จนกลายเป็นจิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรๆมากมายหลากหลายที่เรียกว่าจริตนั่นเองเพราะโดนกระทำทั้งนั้นแหละโดนปฏิบัติทั้งนั้นเรียกว่าตัณหาปฏิบัติจิต คอยอย่างนั้นคอยอย่างนี้สะจนกกายเป็นมากจิตมากจริตที่มันมากอยู่แล้วเนี่ยไม่โทสะอยู่แล้วไม่ลาคะอยู่แล้วไม่งุนงิดอยู่แล้วไม่งุนงานไม่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วเนี่ยไม่คติไม่อคติอยู่แล้วเนี่ยลูก เรว่าดิมเดิมแท้ของจิตเลยของมนโนมนแบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วเนี่ยลูกไม่กุศลไม่อา ก, กุศลอยู่แล้ว ไม่เป็นจิตชนิดดำหรือเป็นจิตชนิดขาวอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าโดยสุญญตาจิตทั้งหมดโดยอนัตตาจิตทั้งหมดโดยสุญญตาจิตทั้งหมดเรียกว่าอนัตตาหรือสุญญตาเนี่ยก็คือมันไม่แบบไหนไม่อย่างไรเนี่ย ที่มันไม่เราไม่เขาอยู่แล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนที่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ะเราก็ดั้งเดิมแท้แห่งสัจธรรมจิตแล้วก็ดั้งเดิมแท้ของธรรมทั้งหลายทั้งปวง โดยสัพพธาดโดยสัพพธรรมเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทำโดยธรรมอยู่เองแล้วธรรมที่มันไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วในธรรมน่ยดังเดิมแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยมันไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลเรียกว่าอนัตตาธรรมเหมือนกันจิตก็อนัตตาจิตธรรมทั้งหลายก็อนัตตาธรรม ทำทั้งหลายก็สุญาตาธรรมจิตทั้งหลายก็สุญาตาจิตหมดไม่มีความหมายด้วยความเป็นอะไรอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้ น, นดั่งเดิมแท้เลยที่ไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วนะทั้งหมดนี่ที่มันกลายเป็นจิตแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาพ่อเข้าไปทําจิต ธรรมทั้งหลายทั้งปวงจากดั้งเดิมที่มันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นธรรมที่ถูกตัณหาปฏิบัติถูกโมหะปฏิบัติเมื่อธรรมทั้งหลายโดนตัณหาโดยโมหะปฏิบัติแล้วเนี่ยก็กลายเป็นธรรมชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมากลายเป็นธรรมหลากชนิด จากสุญญาตาธรรมก็เลยกลายเป็นธรรมชนิดที่ถูกบุรณะการด้วยตัณหาด้วยโมหะตลอดเรียกว่าผิดเพี้ยนประจักษ์ธรรมดั้งเดิมแท้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละที่เรียกว่ากรรมซ้อนธรรมล่ะถ้ายังไม่เลิกหลงปฏิบัติธรรมยังไม่เลิกหลงปฏิบัติจิตมันก็จะกลายเป็นจริตหลากหลายกลายเป็นธรรมที่หลากหลายไปเรื่อย ผิดเพี้ยนไปจากอนัตตาธรรมผิดเพี้ยนไปจากอนัตตาจิตผิดเพี้ยนไปจากสุญญาตาจิตสุญญาตาธรรมจะเพี้ยนไปเรื่อยเรื่อยเรียก ว, ว่ากรรมซ้อนจิตกรรมซ้อนมโนกรรมซ้อนธรรมกรรมในธรรมเหมืนกัว่าสัพดวงจิตทั้งหลายเนี่ยกําลังเจริญความเป็นเหตุกําลังเจริญเหตุเสเองกําลังเจริญสมุทยัยเสเอง ตัวปฏิบัตินั่นแหละคือสมุทยัยไอ้ที่ปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตหรือคอยทําจิตนั่นแหละเรียกว่ากิเลสคอยทํากิเลสคอยปฏิบัติเมื่อจิตถูกปฏิบัติจิตถูกตันหาปฏิบัติถูกโมหะปฏิบัติจิตก็จะผิดเพี้ยนไปจากดั้งเดิมแท้ไปเรื่อย กลายเป็นจิตถูกตอบแต่งกลายเป็นจิตถูกสรนสร้างกลายเป็นจิตถูกย้อมแมวกลายเป็นจิตที่ถูกแต่งเติมแต่งแต้มสีสันต่างๆนานาประการจากดั้งเดิมแท้ที่มันไม่ใช่จิตชนิดไหนเลยนี่เรเรียกว่าสุญญตาจิต เมื่อจิตถูกตัณหาปฏิบัติถูกโมหะปฏิบัติหรือเรียกว่าถูกปฏิบัติถูกกระทําจึงกลายเป็นจิตหลากชนิดขึ้นมาหลายชนิดขึ้นมาเรียกว่าจริตจิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น่ะที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นตัณหาเป็นโมหะจิตจริงๆอะจิต ด, ดั้งเดิมเนี่ยลมันไม่เป็นหลักทั้งกุศลอกุศลอภยากะตะกลางๆก็ไม่เป็น เรียว่าสุญญตาจิตทั้งหมดอนัตตาจิตทั้งหมดไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดเป็นติดเป็นหลุดแล้วไม่เป็นทั้งหมดทั้งสิน้นไม่มีลักษณะที่ต้องมาคอยหลุดหรือคอยติดไม่มีลักษณะอย่างนั้นเรียว่าถ้าสุญญตาทั้งหมดถ้าอนิจจังทั้งหมดถ้ายังไม่หยุดหลงการคอยทําจิตอยู่ มันก็เหมือนกั็ว่าซ้ำเติมให้มันวุ่นวายไปไปเรื่อยๆฉะนั้นจิตจริงๆเนี่ยมันจะไม่เป็นตันหามันไม่ได้เป็นความอยากมันไม่ได้เป็นความริ้นรหรือไม่ได้เป็นความพยายามหรือว่าไม่อยู่แล้วไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้ว แต่นั้นที่มันพยายามเนี่ยนะก็เรียกว่าตัณหาหมดตัณหาในรูปแบบของความพยายามหรือความอยากอะไรก็ตามที่เป็นรูปแบบตัณหาทั้งนั้นไม่ว่าเป็นกิริยาแห่งตัณหาทั้งนั้นแหละคออย่างนั้นคออย่างนี้อะไรมันไม่ใช่จิตมันตัณหาทั้งหมดคติอาคตินั่นมันก็ตัณหาหมดแหละปรงแต่งจิตไม่ใช่จิตมันไม่ใช่จิตจริงๆ ดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นก็ไม่ใช่จิตเราตัณหาทั้งนั้นน่ะสรรสร้างแต่เราก็ชอบเรียกกันว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่จิตเป็นมันตัณหาเป็นตัณหาลักษณะดีตัณหาลักษณะไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เจ้าบุโลกตัณหาลักษณะคติตัณหาลักษณะคติตัณหาในกามลาคะ ตัณหาในโทสะตัณหาในพยาบาทแต่ชาวโลกในในยุคลงหลังก็ชอบแปลตัณหาเข้ากับเรื่องของกามลาคะอย่างเดียวซะส่วนมากถ้าพูดถึงตัณหาก็หมายถึงกามลาคะแต่จริงๆแล้วตัณหาเนี่ยมันคือทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่คอยบูรณาการเรียกว่าสรรสร้างกิเลสต่างๆอันรกรารทุกประเภทของกิเลสของกรรมกิเลส ตัญหาในการมาลาค่าตัณหาในโทสะตัณหาในความพยาบาทอาคาตัณหาในความโลภตัณหาในการจะเอาตัณหาในความงุนหงิดความงุนง่านตัณหาในความวิตกกังวลมันตัณหาสรรสร้างหมด ตัณหาในความเบื่อความนายอะไรก็ว่าตัณหาเท่านั้นแหละลูกที่มันสรรสร้างเบื่อก็ตัณหาอยากก็ตัณหาหมดเรียกว่าเป็นลักษณะของตัณหาที่คอยปฏิบัติจิตในทุกๆรูปแบบเลยในตราบใดที่ยังไม่ยุติในการคอยทําจิตในการคอยปฏิบัติจิตตัณหาก็ไม่ยุติเรียกว่าสมุทัยของทุกคนไม่ยุติ เหตุที่แท้จริงของทุกคนไม่ยอมยุติถ้าไม่ยอมยุติการคอยทำจิตเนี่ยแต่นั้นจิตทุกประเภทเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัณหาสรรสร้างทั้งหมดถ้าดั้งเดิมแห่งจิตแล้วที่ไม่เกี่ยวกับตัณหาเนี่ยมันจะไม่ใช่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้น แต่นั้นที่มันอะไรกับอะไรอยู่นะ่เรียกว่ามันกำลังเป็นตัญหาอยู่นั่นเองไม่ใช่จิตนะถ้ายังไม่ยอมยุติคอยทำจิตจิตก็ยังถูกกระทำไปเรื่อยๆเป็นแพะรับกรรมไปเรื่อยๆจิตโดนกระทำถูกแต่มแต่งสีสัน เช่นกลายเป็นเรียกว่ากรรมซ้อนจิตหรือเรียกว่ากรรมซ้อนมโนจากมโนแล้วล้วนมโนดั้งเดิมแท้ที่มันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วก็กลายเป็นมโนมีกรรมขึ้นมาทมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถูกปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมันก็เลยผิดเพี้ยนไปจากคติธรรมดั้งเดิมแท้ทั้งหมดที่ว่าสุญตตาธรรมอนัตตาธรรม ปฏิบัติธรรมแบบไหนยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งตัวตนหนาขึ้นจากอนาัตตาก็กลายเป็นอตตาขึ้นมาตัวตนในธรรมแต่นั้นไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิหรือว่าปัญญาหรือว่าตบะฌานญาทุกประเภทเนี่ยลดละแต่เป็นผลแห่งตัณหาทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าพูดถึงธรรมดั้งเดิมแท้แล้วเนี่ยสุญญาตาธรรมอนัตตาธรรม ธรรมที่ไม่มีความหมายอยู่แล้วอ่ะธรรมที่ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วเนี่ยลูกที่มันไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วเรียกว่าสุญญตาธรรมหรือว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็โดยว่างอยู่แล้วนั่นเองบนพื้นฐานแห่งว่างอยู่แล้วนั่นเองไม่ใช่เป็นธรรมหลากชนิด ทำชนิดนี้ทำชนิดนั้นไอ้ทำชนิดนั้นชนิดนี้อะไรเนี่ยมันเพราะมันเกิดขึ้นจากปัญหาเข้าไปสรรสร้างแต่ไม่ใช่ทำดั้งเดิมแท้จริงดังนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ยังหลงปัญหาหลงเข้าไปกระทำอยู่เนี่ยถ้าไม่สรุปลงสู่เนื้อหาของว่างหรือสุญญตาหรือการวางตัวมันเองแล้วมันจะเป็นธรรมที่หลากหลายไปเรื่อยๆเรียกว่ากรรมซ้อนธรรม ถ้าไม่ประมวลสติสมาธิตะบะฌานญานปัญญาลงสู่พันิพาลลงสู่วางสู่ว่างอยู่แล้วจะผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆจะไม่จบดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัณหามาหลอกปฏิบัติธรรมทาโดยทําอยู่เองแล้วเนี่ยมันไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วโดยว่างอยู่แล้วโดยนิพานอยู่แล้วอย่าให้ตัณหามาหลอกปฏิบัติธรรม ให้จบตัณหาซะเองให้ไม่ซะเองอย่าหลอกอย่าปล่อยให้ตัณหามันปฏิบัติจิตให้ไม่ซะเองแทนลูกจิตก็จะได้เป็นจิตดั้งเดิมแท้ไปที่มันไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยที่มันไม่ต้องแบบไหนอีกไม่ต้องอย่างไรอีกแ่นันลก อย่าให้ตัณหามาหลอกทำจิตที่ไม่ต้องแบบไหนอยู่แล้วไม่ต้องอย่างไรอยู่แล้วไม่ต้องไปแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยอย่างไรอีก น, ะนาากี่อย่าปล่อยให้ตัณหามาหลอกทำจิตอย่าปล่อยให้ตัณหามาหลอกปฏิบัติธรรมอยู่ ทำโดยทำอยู่เองแล้วเนี่ยที่มันไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรอยู่แล้วในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรียกว่ามันสุญญตาธรรมอยู่แล้วเนี่ยหน้าตาธรรมอยู่แล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัญหามันหลอกปฏิบัติธรรมนี่อย่าปล่อยให้ตัญหามันหลอก จิตให้ไปค้นหาธรรมที่ไหนอีกแล้วดั้งเดิมแท้ที่มันไม่ต้องส่อสแสวงแบบไหนไม่ต้องส่อสแสวงอย่างไรอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าไม่ว่าจิตหรือธรรมก็เนื้อหาเดียวกันหมดคือสุญญาตาเหมือนกันหมดเลยโดยอนัตตาเหมือนกันหมด แล้วก็ไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดอยู่แล้วเหมือนกันหมดเลยเนื้อหาธรรมสัพธรรมสัพโดงจิตหรือสัพสิ่งเหมือนกันมันมีไวยะเดียวกันหมดแต่ตัณหาแล้วมันชอบเสี่ยมเสี่ยมจิตไปค้นหาธรรมไปปฏิบัติเอาธรรมเหะเสี่ยมแล้วก็คอยเสี่ยมจิตคอยทำคอยทําจิตอย่างนั้นอย่างนี้ตัณหามันเสี่ยม เรียกว่าตัณหามันสวมเขาให้ต้องงั้นต้องงี้เหรอตัณหามันสวมเขาให้ทั้งนั้นแหละให้ไม่เซ่งนั่นแหละเรียกยุติตัณหายุติโมหะทุกรูปแบบที่จะซ้อนทรรซ้อนจิตให้ไม่เซ่งไม่ต้องแบบไหนไปเซ่งไม่ต้องหลงคอยอย่างไรไปเซ่ง ยุติโมหายุติตันหาที่คอยปฏิบัติจิตที่คอยปฏิบัติธรรมให้ยุติโมหายุติตันหาซะเองให้ไม่ซะเองไม่ต้องแบบไหนอีกไม่ต้องคอยอย่างไรอีกกับกายกับจิตกับธรรม นั่นแหละสรุปแล้วที่คอยทําจิตนั่นคือกิเลสทำทั้งนั้นแหละไอ้ ท, ท, ที่มาทําสติทําสมาธิทำปัญญาก็กิเลสทำทั้งนั้นไอ้ที่มาคอยทำํำทำทุกลักษณะก็กิเลสทำทั้งนั้นแหละหรือเรียกว่ากิเลสปฏิบัติไอ้ที่เรียกว่าปฏิบัติทำปฏิบัติทำนะแท้ที่จริงแล้วคือกิเลสปฏิบัติ ผิดเพี้ยงมาจากทำดั้งเดิมแท้หมดล่ะจากทำโดยทำอยู่เองแล้วทำที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นทำชนิดนั้นขึ้นมาทำชนิดนี้ขึ้นมาทำชนิดน้นขึ้นมาเพราะว่าตัณหามันไปปฏิบัตินะร า, ารทำละไปรลังสรรทำไปสรรสร้างทำจนกลายเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งด้วยโมหะตันหาทั้งหมด นั่นแหละแล้วจึงกลายเป็นความหลงผิดว่าเป็นตัวเป็นตนในธรรมไปเรื่อยอเหตุดังนั้นละ่ะจึงเป็นที่มาของการก่อเกิดความเป็นภูเป็นชั้นที่รองรับการใช้กรรมในธรรมตั้งแต่พรหมโลกจนถึงอาวจีมหานรกก็รองรับการใช้กรรมในธรรมทั้งนั้น มันจึงมีความเป็นภูมิเป็นชั้นเกิดขึ้นมารองรับเนี่ยสาหรับกรรมซ้อนธรรมทั้งหลายเนี่ยกรรมในธรรมทั้งหลายเนี่ยรู้ปฏิบัติธรรมประเภทไหนซ็จนติดธรรมประเภทนั้นก็จะมีภูมิมีชั้นรองรับการใช้กรรมในธรรมประเภทนั้นๆไปตามความยึดติดในธรรม ทำจิตทำใจแบบไหนซะจนกลายเป็นติดจิตติดใจแบบนั้นแบบนั้นก็มีภูมิมีชั้นรองรับการใช้กรรมซ้อนจิตนั่นกรรมที่เกิดขึ้นจากกันคอยทําจิตนั่นซะจนติดจิตติดใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนั่ น, น, นก็จะมีภูมิชั้นไว้รองรับการใช้กรรมทั้งหมดของการทําจิต มันไม่ใช่การโปรงการวางเลยไม่แต่เพียงเล็กน้อยสำหรับอริยะทั้งหลายผู้โปรงผู้วางในตัวมันเองเนี่ยก็จะห่างไกลาจากความเป็นภูมิเป็นชั้นต่างๆนาฬิกามากขึ้นคือไม่ต้องผูกติดอยู่กับการใช้กรรมในอยู่ในภูมิไหนชั้นไหนห่างกลาจากการที่จะไปผูกติดกับการใช้กรรมประจาอยู่ ตามภูมิชั้นต่างๆเพราะปรงตัวมันเองเพราะวางตัวมันเองนั่นแหละแต่นั้นไม่ว่าจะจิตหรือไม่ว่าจะทำก็คือสิ่งเดียวกันเลยก็คือสุญญาตาเหมือนกันอนัตตาเหมือนกันที่มันไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วนะให้เป็ น, ปนบทสรุปเลย ไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรกับธรรมอีกไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรกับจิตอีกธรรมไม่ต้องปฏิบัติตัวมันเองจิตไม่ต้องมาหลงปฏิบัติตัวมันเองแบบไหนอีกแล้วจะเป็นจิตดั้งเดิมแท้เป็นธรรมดั้งเดิมแท้ทันทีเรียกว่านัตตาธรรมอนัตตาจิตสุญญ า, าจิตสุญญาตาธรรมบนพื้นฐานแห่งนิพพานอยู่แล้วเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมา <inequality> นิพพานม่นิพพานแบบไหนอีก ยุตเตตันหาที่คอยเสียมให้หานิพพานยุตเตตันหาตันหาที่มันมาในรูปแบบของการส่อแสวงหาค้นหาพยายามหาอะไรเนี่ยคิดหานึกหาลูหาเลยโยุตเตตันหาซะเองอย่าให้ตันหามันไปเสียมทำมันต้องไปนิพพานแบบไหนอีกอ ต้องไปทำแบบไหนอีกต้องไปปฏิบัติธรรมแบบไหนอีกอย่าปล่อยตัณหามาหลอกเสี้ยมจิตยุ่ยแย่จิตให้ต้องหลุดไม่หลุดแบบไหนอีกใหต้องนิพพานนิพพานแบบไหนอีกละ่ะให้ไม่เสเองไม่แบบไหนไปซะเองไม่อย่างไรไปซะเอง ไม่ต้องคอยหลงทำตัวมันเองแบบไหนอีกเนี่ยให้หยุดหลงซะเองแล้วสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายก็จะเป็นเนื้อหาดั้งเดิมแท้ไปเองทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วเนี่ยไม่โทสะไม่ลาค้าไม่ตัญหาไม่อุปทานแบบไหนอย่างไรไม่คติไม่อคติ ไม่รักไม่เกลียดไม่ชอบไม่ชังอยู่แล้วเนี่ยเพราะมันไม่โดนเสี่ยมหึงไม่โดนตัณหาเสี่ยมสอนไม่โดนตัณหายุแย่ที่มันไม่ต้องคอยติดคอยหลุดแบบไหนอยู่แล้วเนี่ยลูกที่มันไม่ต้องมาคอยแบกบคอยวางแบบไหนอย่างไรอยู่แล้วเนี่ยดังเดิมแท่งสุญญาตาจริงๆนะ ทำก็ได้ทำอยู่เองแล้วทำได้ทำอยู่เองแล้วแบบสุญญตาทำอยู่แล้วเนี่ยลูก <Mustang> แบบไม่ต้องมาคอยแบกบ <c oughs> คอยวางแบบไหนอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจิตหรือไม่ว่าธรรมก็สุญตาเหมือนกันหมดไม่ต้องมาคอยติดคอยหลุดแบบไหนอยู่แล้วเนี่ยแบบลูกน่ะเรียกว่าถ้าทำจิตดั้งเดิมแท้ทั้งหมดสุญตาเหมือนกันหมด อันสุญญาตาเนี่ยหมายถึงดั้งเดิมแท้เลยแล้วเป็นเนื้อหายังสัจธรรมดั้งเดิมแท้สุญญตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะไปทำอีกว่างเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะไปคอยว่างแบบไหนอีกไม่ใช่หมายถึงอยู่แล้ว แล้วตัณหามันจะหลอกให้ไปว่างอีกนี่แล้วทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นยุ่งไปหมดเพราพยายามจะว่างก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายไปหมดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะว่างนั่นเองนั่นตัณหามันหลอกอีกแล้วตัณหามันเสี่ยมมันสวมเขาให้อีกแล้วอยู่แล้วไม่ต้องไปว่างไม่ว่างแบบไหนอีก นั่นแหละก็จะโดยว่างอยู่แล้วเองทุกสิ่งอย่างโดยสุญญตาอยู่แล้วทั้งหมดแต่นั้นทุกอย่างไม่ว่าจิตหรือธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเมื่อตัณหาเข้าปไปบูรณาการเข้าไปจัดการแล้วมันก็ผิดเพี้ยนไม่หมด จิตเองก็ผิดเพี้ยนไปจากดั้งเดิมแท้แห่งจิตทำเองก็ผิดเพี้ยนไปจากดั้งเดิมแท้แห่งธรรมอะไรล่ะเป็นเครื่องชี้วัดก็ความเป็นภูมิเป็นชั้นไงเป็นเครื่องชี้วัดมีอาไว้ทําอะไรอ่ะความเป็นภูมิเป็นชั้นตั้งแต่พอมาโลกจนถึงอรเบจีมหานรกมีไว้ทําอะไรก็นั่นแหละตัวชี้วัดล่ะมีอาไว้จองจํา สำหรับกรรมในจิตและกรรมในธรรมไอ้ที่หลงคอยทําจิตหลงคอยทำธรรมเนี่ยหลงคอยปฏิบัติจิตหลงคอยปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่ากรรมซ้อนจิตกรรมซ้อนธรรมเนี่ยก็จะมีความเป็นภูมิเป็นชั้นแหละเป็นที่จองจำนั่นแหะคือตัวชีวัตสําหรับอายะและอราหันต์ทั้งหลายก็ไกลห่างจากความเป็นภูมิเป็นชั้น ก็ท้ากลางความเป็นภูมิเั็นชาติหลากหลายก็สามารถไปได้นะนฐานะของการเปิด ส, สรรพสัตว์เนี่ยไปได้หมดแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะถูกจองจําด้วยความเป็นเพราะเป็นชาติหรือความเป็นภูมิเั็นชัตนแต่ประการใดเพราะมันยุติไอตัวหลงเข้าไปกระทํานั่นแหละลูกมันจบสมุทัยเป็นจบเหตุเป็น ทุยามันสูญาตาหมดนะ่ะจะสติสมาธิตาบาชาญานปรราัญญาอะไรแบบไหนอยู่แล้วจำว่แต่เป็นธรรมอย่างนั้นธรรมอย่างนี้ธรรมชนิดนั้นชนิดนี้ทำไมอยู่แล้วพราะตัญหามันสวมเขาให้สิ ไม่ต้องแบบไหนอีกนะไม่ต้องอย่างไรอีกทําไม่มีฝักมีฝ่ายไม่มีฝ่ายขาวฝ่ายดำโดยสุญญตาธรรมอยู่แล้วนี่ธรรมจะไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายแต่ประการใดไม่มีฝ่ายขาวฝ่ายดำ ที่มันไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วเนี่ยหลุมมันไม่เป็นทั้งฝ่ายขาวแล้วฝ่ายดํำทำทั้งหลายเนี่ยอพยาการตาทำก็ไม่ใช่ไม่มีความหมายในความเป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่านะโดยว่างอยู่แล้วโดวยสัญญาธรรมอยู่แล้วโดวยนัตตารมอยู่แล้ว สวรรค์ชั้นไหนก็เป็นสถานที ah um ่จองจํำสัพสัตทั้งนั้นแหละจะภูมิไหนชั้นไหนก็เป็นสถานที่จองจํากับขังทั้งนั้นแหละอันเกิดขึ้นจากกรรมซ้อนธรรมนั่นแหละกรรมซ้อนจิตนั่นแหละไอ้ที่คอยทําทําอ้ที่คอยทําจิตไอ้ที่คอยปฏิบัติจิตนั่นแหละไอ้ที่คอยหลงปฏิบัติธรรมนั่นแหละเรียกว่ากรรมซ้อนธรรมกรรมซ้อนจิต มันเป็นกิเลสปฏิบัติทั้งหมดเป็นตัญหาเข้าไปปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละจึงเป็นที่มาของบทสรุปที่ว่าให้ไม่ใชเองเท่ไม่ใชเองไม่ต้องแบบไหนไปใชเองไม่ต้องคอยอย่างไรไปใชเองอีกเนี่ยไม่ต้องมาคอยหลงทำตัวมันเองแบบไหนอีก เห็นไหมไม่ว่าจิตหรือธรรมธรรมก็ไม่ต้องมาหลงคอยทำํำทำอีกธรรมก็ไม่ต้องมาคอยหลงคอยปฏิบัติตัวมันเองอีกจิตก็ไม่ต้องมาคอยหลงปฏิบัติตัวมันเองแบบไหนอีกแล้วหยุดหลงจึงเรียกว่าจบจิตจบหลงนั่นแหละจบจิตจบกรรมจบหลง การอุบโติลธาตุขันในการโปรยสภาวก็เป็นเพียงแค่อุบโรกลแค่สมมติไม่ใช่สิ่งจริงจังอยู่แล้วนั่นนะไม่ใช่การผูกมัดไม่ใช่การยึดติดอยู่กับปณิธานลึก อ, อยู่กับอุดมการอุดมกรรมอุดมคติอะไรน่ะมันไม่ใช่การผูกมัดไม่ใช่การยึดติด หรือยึดเกาะอยู่กับอะไรมันเป็นเพียงแค่อุโบสถแค่สมมติของการโปรดภัพสัตตอุโบสถาท้อุโบ ก, โกขันโดยการจบโมหะจบตัณหาให้กับสัพสัต ทำอะไรอยู่เล่ามัวหลงทำอะไรอยู่ไปคอยทำอะไรจิตอยู่หรือไปคอยทำอะไรทำอยู่หรือ ต่อไปมันก็จะได้ไม่เป็นทั้งหมดไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมหยุดตัณหาหยุดโมหะในการหลงทำตัวทำใจในการหลงปฏิบัติธรรมเสียได้เนี่ยต่อไปก็หมดแล้วมันไม่เป็นทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ใช่ทางไหนทั้งนั้นจบทุกเส้นทาง ถ้ายัางทางนั้นทางนี้อยู่ไม่ว่าทางโลกก็าตามหรือทางธรรมก็าตามมันก็ยังเป็นตัญหาปฏิบัติอยู่ตัญหาสรรสร้างอยู่เรียกว่าตันหามันยังหลอกอยู่ ต่อไปมันก็โดที่ไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วเหมือนกันหมดไม่ว่าจิตไม่ว่าธาตุไม่ว่าธรรมสัพสิ่งสัพธาติที่มันไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วเหมือนกันหมดไม่ต้องมาคอยแบกคอยวางอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกันหมดไม่มีตัณหาจัดสรรก็ต้องแบกแบบไหนต้องวางอย่างไรไม่มีตัณหาจัดสรร ถ้าตโดยธาตุอยู่เองแล้วทำโดยทำอยู่เองแล้วเหมือนกันหมดที่มันไม่ต้องมาคอยแบกบคอยวางอยู่แล้วเนะี่ยเหมือนกันหมด ะหมดไอ้ผู้เดินทางเส้นทางเองก็หมดหมดตัณหาเป็นผู้สร้างทางผู้เดินทางเองก็หมดหมดตัณหาเป็นผู้เดินทางไอ้ตัณหาเป็นผู้สร้างทางไอ้ตัณหาเป็นผู้ดําเนินไปตามทางอะไรนะี่ะหมดหมดโมห oh ะหมดตัณหาอย่างนี้ ขนาดทางนิพานก็ยังไม่ใช่เลยนัภาษ า, ะาอะไรทางอื่นงอื่นตัณหามันหลอกเท่านั้นก็มันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรียกว่าโดยนิพานอยู่แล้วนั่นเองแต่ตัณหามันไปหลอกสร้างเส้นทางนิพานขึ้น แล้วก็ตันหาเองซะด้วยนะเป็นผู้เดินทางอะให้ไหม่ซะเองไม่ต้องแบบไหนไปซะเองไม่ต้องอย่างไรไปซะเองและนั่นแหละมันจะยุติความเป็นตันหาทุกรูปแบบเสียทั้งหมดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ายุติความเป็นสมุทัยทั้งหมด เสเองและยุติความเป็นเหตุทั้งหมดนั่นเอง เมื่อทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องโดนปฏิบัติก็จบเลยจบตัณหาในการปฏิบัติธรรมเรียกว่าจบกิเลสปฏิบัติจบตัวตัณหาปฏิบัติเรียกว่าจบกิจ เมื่อจิตทั้งหลายไม่ต้องถูกปฏิบัติไม่ต้องถูกกระทาก็จบเลยจบตัณหาในการคอยปฏิบัติจิตจบโมหะในการคอยปฏิบัติจิตจบปุพพานในการคอยปฏิบัติจิตจิตก็จะไม่เป็นจิตชนิดไหนอีกต่อไปมันจะไม่เป็นทุกขจริตไม่เป็นจิตชนิดไหนอีกต่อไปเรียกว่าดั้งเดิมแท้ ของสัพจิตสัพธรรมทั้งหลายเหลือโดยสุญญ า, าเหมือนกันหมดโดยปราจากความหมายเหมือนกันหมดโดยว่างอยู่แล้วเหมือนกันหมดนะไม่เป็นจิตชนิดดีชนิดชั่วชนิดถูกชนิดผิดชนิดติดหรือหลุดอะไรแบบตัญหาดําเนินการนะ่ะจะไม่เป็นทั้งหมด เมื่อจิตไม่ต้องถูกปฏิบัติไม่ต้องถูกกระทาไม่ต้องถูกเจริญมันก็จะไม่เป็นจิตชนิดไหนอีกต่อไปส่วนอนุสายรียงความเคยชินที่ผ่านมาแล้วก็จะสูญพันธ์ไปเรื่อยๆ เ, เองเรียกว่าหมดวาละก ร, รมหมดยุลลกรรมไปก เมื่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องโดนปฏิบัติไม่ต้องโดนกระทำความเป็นธรรมชนิดต่างๆก็จะหมดไปเองจะเป็นเพียงดั่งเดิมแท้แห่งสุญญตาธรรมเท่านั้นโดยว่างอยู่แล้วโดยปราศจากความหมายอยู่แล้วกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบางจะหายไป กุศลธรรมอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นเพราะทำถูกปฏิบัติทำถูกจเจริญทำถูกกระทำเมื่อยุติตัวหลงเข้าไปกระทำทำเสร็จได้ก็จบทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องเป็นธรรมอะไรต่อไป ไม่ต้องมาเป็นธรรมฝ่ายขาวฝ่ายดำไม่ต้องเป็นฝ่ายไหนทั้งนั้นโดยอนัตตาธรรมเหมือนกันหมดคือมันไม่เป็นดำเป็นขาวอะ่ะไม่เป็นธรรมชนิดกุศลไม่เป็นธรรมชนิดอกุศลและเรียกว่าอนัตตาหมดอนัตตาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นทั้งกุศลไม่ได้เป็นทั้งอกุศล เราจะเข้าใจคําว่าอน้าตาเนี่ยในฐานะที่ไม่ใช่ตัวตนแต่จริงๆแล้วโดยในยะมันลึกซึ้งและกว้างขวางกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ความหมายว่าไม่ใช่ตัวตนแต่มันไม่มีความหมายนั่นเองอน้ตาเนะี่ยจะไม่จัดว่าเป็นกุศลและอกุศล ถ้าความหมายได้เชิงกุศลได้เชิงอกุศลอยู่ก็ยังเรียกว่าแบบโมหะอัตตาอยู่หรือความหมายที่ว่าทำสูงทำต่ำอะไรก็ตามทีทำชั้นสูงทำชั้นต่ำอะไรก็ตามทีก็ยังจัดว่าเป็นโมหะอัตตาในสูงในต่าอยู่อะนยอัตตาในความหมาย แต่นั้นอนัตตาธรรมนี้มันไม่ได้หมายคำว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเท่านั้นแต่มันไม่มีความหมายอย่างใดทั้งหมดทั้งสิน้นโดยเชิงเป็นกุศลและโดยเชิงเป็นอกุศลและธรรมไม่เป็นเรียกว่าธรรมโดยธรรมอยู่เองแล้วที่มันไม่ใช่ทั้งกุศลและกุศลเนี่ย <Jeez. S 1> เรียกว่าอนัตตาธรรมหรือสุญญตาธรรมหรือเรียกว่าว่างเปล่าจากความหมายปล่าจากความหมายทั้งหลายทั้งปวง เพราะว่าไม่มีตัณหาในการสัสร้างในการปรุงแต่งย่อบย้อมให้มันเป็นนั่นเป็นนี่แต่งเติมสีสันให้มันเป็นนั่นเป็นนี่อะไรขึ้นมามันไม่ใช่ตัญหาปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็เลยมันไม่มีความหมายอยู่แล้วว่าเป็นธรรมอะไรธรรมชนิดไหนธรรมสูงธรรมต่ำธรรมตามธรรมขาวอะไรมันไม่มีความหมายอยู่แล้ว ทำอะไรทำชนิดมีคุณชนิดมีโทษอ่ะมันไม่มีความหมายอยู่แล้วเนี่ยลมันไม่มีความเป็นคุณไม่มีความเป็นโทษอยู่แล้วเนี่ยความมีคุณมีโทษมันจะเกิดขึ้นจากการเข้าไปกระทําจากการที่ตัณหาเข้าไปปฏิบัติทั้งนั้นลูกจึงก่อเกิดทำชนิดคุณทำชนิดโทษตามมา ถ้าไม่ใช่ตัณหาปฏิบัติตัวมันเองแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชนิดที่มีคุณมีโทษแต่ประการใดเรียกว่าธรรมดั้งเดิมแท้ถ้ามีคุณก็ยังอัตตาอยู่นี่ถ้ามีโทษก็ยังอัตตาอยู่เนี่ยมันยังโมหะอัตตาอยูนย่นี่มันก็ผิดเพี้ยนทั้งหมดนะถ้าโดยอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะคุณหรือโทษแต่ประการใด นั่นนะทำโดยทาอยู่เองแล้วนะทั้งหมดถ้าจบตัวหลงปฏิบททัติธรรมเมื่อไรก็จบตัวหลงเป็นคุณเป็นโทษเหมือนนั้นทันทีเรียกว่าสุญญาตาธรรมโดยนิพพานอยู่แล้วทันที เมื่อการมโนสายติดลมเ ร, เรียกว่าเศษกรรม่ะในการคอยปฏิบัติจิตในการคอยปฏิบัติธรรมมันติดลมมาเรื่อยๆเนี่ยอก็ไม่ต้องแบบไหนอีกไม่ต้องอย่างไรอีกนี่เลยแล้วมันจะจบตัวหลงปฏิบัติจิตจบตัวที่หลงคอยปฏิบัติธรรมให้เองน่ะจบทั้งหมด ไม่ต้องแบบไหนอีไม่ต้องคอยอย่างอะไรอีกเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยแห่งจิตแห่งธรรมก็ตามเนี่ลูกก็จบให้ทันทีจบตันหาปฏิบัติให้จบกิเลสปฏิบัติให้เลยไม่เป็นกิเลสปฏิบัติอีกต่อไปไม่เป็นตันหาปฏิบัติอีกต่อไป ไอสติสมาธิตะบะชายันปัญญาที่ถูปฏิบัติเนี่ยรู้ไหมมันคือกิเลสปฏิบัติธรรมทั้งหมดมันคือตัณหาหลังสันขึ้นทั้งนั้นจากธรรมโดยธรรมอยู่แล้วที่มันไม่มีความหมายด้วยความเป็นสติแล้วไม่มีความหมายด้วยความเป็นสมาธิ ไม่มีความหมายด้วยความเป็นตบะชัน ญ, ญาณไม่มีความหมายด้วยความเป็นปัญญาเรียกว่าธทำสุญญตาอยู่แล้วทำโดยทำอยู่เองแล้วเนี่ยโดยอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายด้ยวยความเป็นธรรมชนิดไหนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เกิดมีขึ้นมาเพราะตัณหาปฏิบัตินั่นเองโมหะปฏิบัตินั่นเองเรียกว่ากิเลสปฏิบัติธรรมแต่นั้นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่เรียกว่ากิเลสปฏิบัติ แต่ถ้าทำโดยทำอยู่เองแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติตัวมันเองนั่นแหละจึงเรียกว่าทุกสิ่งอย่างโดยนิพานอยู่แล้วเหมือนกันหมดเป็นพื้นฐานที่ยังรู้สึกว่าทำสูงทำต่ำอะไรทำลุ่มลึกหรือว่าทำลึกซึ้งอยู่พ่อยังปัญหาพารู้สึกอยู่ ยังเป็นตันหาปฏิบัติความรู้สึกอยู่ตันหาเสี่ยมความรู้สึกแต่นั้นไม่ว่าจะบารมีทัดไหนก็ตามทีที่วโลกมาอย่างสวยหรูอะไรก็ตามทีก็ต้องสรุปลงสู่เนื้อหาของสุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นดั้งเดิมแท้ว่างไม่ใช่อะไร ไม่งั้นก็จะมาหลงเป็นโมหะเป็นตัณหาในเรื่องของบา ร, รมีไปเรื่อยๆบา ร, รมีมากบา ร, รมีน้อยนั่นแหละกําลังเป็นตัณหาในเรื่องของบา ร, รมีอยู่เป็นโมหะในเรื่องของบา ร, รมีอยู่ ไม่ต้องแบบไหนอีกนั่นแหละลูกไม่ต้องอย่างไรอีกนั่นแหละทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรอีกในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจิตก็ไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรกับจิตอีกน <ay> ั่นแหละแล้วทุกอย่างก็จะหมดความแตกต่างโดยทันที ไม่จะทําแบบนั้นทําแบบนี้จิตอย่างนี้จิตอย่างนั้นหมดความหลากหลายหมดความแตกต่างเขาเรียกว่าปราจากความหมายดังนั้นอนัตตาเนี่ยก็คือมันไม่มีความหมายอยู่แล้วนั่นเองไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วเท่านั้นคือไม่มีความหมายอยู่แล้วนั่นเอง ไม่ใช่จิตอย่างนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้อยู่แล้วนั่นเองไม่จะทำอย่างนี้ไม่จะทําอย่างนั้นทำชนิดนั้นทำชนิดนี้เนี่ยมันคือไม่ใช่อยู่แล้วแต่ที่มันเป็นขึ้นมาเพราะาโมหะตัณหาละมันเข้าไปดำเนินการถ้าจนกายเป็นอย่างนั้นขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นโมหะตัณหาหมดเป็นกิเลสหมดเรียกว่ายุติกิเลสหรือจบกิเลส ก็คือไม่ซสเองไม่ต้องไปแบบไหนอีกไม่ต้องคอยแยงอะไรอีกนี้เรียกว่าเป็นการจบกิเลสยุติกิเลสหรือจบกิเลสจิตไม่ใช่การปฏิบัติตัวมันเองอย่าปล่อยให้ตัญหามาหลอกเอาจิตไปค้นหาอะไร ไปแสวงหาหนิพานแบบไหนแสวงหาความรอดพ้นแบบไหนอีกนะตัณหาหลอกหมดต่างเดิมแท้นะ่ะมันก็ไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วก็โดยนิพานอยู่แล้วนั่นแหละตัณหาหลอกค่ะไปหาหนิพานอีกตัณหาหลอกทั้งนั้น ไม่โทสะก็หลอกให้โทสะไม่ลาคะอยู่แล้วก็หลอกให้เกิดราคะขึ้นมาตัณหาหลอกทั้งนั้นไม่งดหงิดก็หลอกให้งดงิดไม่ฟุ้งซ่านก็หลอกให้ฟุ้งซ่านตัณหามันหลอกทั้งนั้นแหละพยายามพยายามพยายามมันหลอกให้พยายามมันหลอกให้ดิ้นรนนั่นแหละลักษณะหลอกหล่ะคือมันคอยดิ้นรนนั่นแหละเรือลักษณะที่หลอกมันพยายามพยายามพยายามคอยจะคอยจะคอยจะนั่นแหละคือลักษณะที่มันกําลังหลอกตัวมันเอง มันไม่มีอคติอยู่แล้วก็หลอกให้เป็นอคติขึ้นมามันไม่ชอบไม่ชังอยู่แล้วก็หลอกให้ชอบไม่ชังขึ้นมาตัณหามันสรสร้างเท่านั้นหลอกส ร, สร้างเท่านั้นเรียกว่าใส่ลายป้ายสีแต่งเติมความหมายนั่นเอง แต่นั้นแค่ยุติกิเลสปฏิบัติทั้งนั้นแหละไม่ว่าทมหรือไม่ว่าจิตแค่ยุติกิเลสปฏิบัติไม่ต้องแบบไหนอีกไม่ต้องอย่างไรอีกจิตที่ไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรในจิตอีกคนะ่น้ ไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างอะไรในจิตอีกนี่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรในธรรมอีกเนะนี่ออย ก็จะหมดความหมายโดยความเป็นธรรมชนิดนั้นชนิดนี้ไปเองที่เรียกว่าอนัตตาธรรมนั่นแหละคือมันไม่ได้เป็นธรรมชนิดไหนทั้งหมดทั้งสิ้นชนิดสูงชนิดต่ำชนิดมีคนมีโทษ ชนิดกุศลชนิดอกุศลจะไม่เป็นธรรมชนิดไหนเลยเนะี่ยเมื่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างอะไรในธรรมอีกเนี่ยหมดกิเลสเข้าไปทำธรรมหมดกิเลสปฏิบัติธรรมยุติกิเลสปฏิบัติธรรม ก็จะโดยนิพพานอยู่แล้วทันทีอยู่แล้วอยู่แล้ว ตัณหายุแย่ความคิดตัณหายุแย่การรู้ตัณหายุแย่เห็นก็ไม่ต้องแบบไหนอีกไม่ต้องอย่างไรอีกมันก็จบทันทียุติทันที อ้าวโซโซโซโซ